หมดความอยากแก่ให้ขัน้นทุกข์ประจิตใจหมดตัณหาอย่างแท้จริงนะนี้โรธหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกล น, นะเมื่อไรสิ้นตัณหาก็เมื่อ น, นั้นเห็นนิพพานสงสัยมากหรือตัอ้มตรงที่เห็นความดีดีร้ายเนี่ยตรงเนี้ยถ้ารู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาแล้วขาดไปก็ไม่เป็นไรก็ดียิ่งดีใหญ่ แต่ถ้าไปเห็นความยินดีร้ายแล้วใช้สมาธิใช้สมาธิค่มไว้ก่อนแล้วก็รู้ขันไปอย่างนี้ก็ใช้ได้สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกงั้นไม่ต้อง ก, งกังวลตรงนี้ว่าทำไมไม่เหมือนที่เราคิดไป อ, อ๋อยังไม่ได้ถามอ่ะตอบไปแล้วขอถอนเนะลืมไปนอกจากจมีคำถามที่สงสัยอยากจะถามคริ่ม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 คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายไอเราในะคิดไม่ดีนะคิดกลุ่มใจเป็นห่วงศาสนาว่าพระเทศก็เอ๋ยกไก่ <c oughs> โอ้สอนธรรมะเราท่าใจนี่เย็นโอ้เยอกเลยเ <c oughs> ก่งนะตรงนี้เก่งไปเจอท่านน่ะสนุกฝุดสุดเลยมันมากแต่เล่าไม่ได้แล้วไม่ใช่ธลละวัสน์ออเอกลักษณ์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 ไม่ออกเหมือนกันนะคะความู้กว่ามันเหมือนอิสระจะร้องให้ใช่อหมก็ร้องไปทำเย็นนิดหน่อยค่ะเออนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเดี๋ยวเขาว่าดีใจได้มรดกเต้างทรงตอบไปมันต้องอย่างนี้สิภาวนาแล้วใจยังกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงไม่เอาไหนดอกช่วงนี้เริ่มเห็นกิเลสในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะที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 นั่งดูมันไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งอะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินในบ้านนะคะแต่ที่บ้านะมีกันแค่สองคนเวลาเวลาเดินเหมือนเหมือนเดินหลายคนนะคะไม่เป็นไรเรื่องของเขาเราเดินได้เขาก็เดินได้ต่างคนต่างเดินไม่เหยียบกันหรอกก็แต่หนูสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอะไรพยายามสังเกตดูหลายครั้ง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 ชีรัติทำไมไม่มานั่งใกล้ๆหลวงพ่อก็มีโมหะครับเออโมหะมันเยเยอะถ้าเข้าใกล้มันหายนะนั่นแบบดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ยิ่หาง ก, ก็มัวไปหน่อยชีรัาราึกาลหลวงพ่รู้ไหมบังคับให้รู้ทันใจที่บังคับนะรู้สึกไหม ใ, หใจกระสับกระสายให้รู้ทันความกระสับกระสาย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 การปิบัติตามรูปแบบคือจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี้รู้สึกว่าพอทำวัดเช้าทำวัดเย็นติดเนี่ยก็จะรู้สึกง่ว ง, วงค่ะก็เลยแล้วมันมันจะไม่ค่อยสบายใจอะ่ะก็เลยจะนั่งสมาธิน้อยมากมคือมันมันมีความรู้สึกเลยว่ามันผิดปกติอ๋อไม่เป็นไรคือบางช่วงนะเราภาวนาถึงเราภาวนาดีนะ